การออกเที่ยววีเด็กจงกลมเราเคยมีประวัติมากเช่นปาชาดีบุตรขปมุนปะคุณน้มันจะรีบบุตรปคุณ้มันจะรีบบุตรเป็ดนบุตรกิจการเพื่อให้ทวารู้ความเห็นเมื่อ ออกจากท่านไปแล้วทดลองสอบถามเรื่องการปฏิบัติกับบุกศิษคนบุลูกิษยเห็นเห็นจากเป็นสิ่งที่สำคัญในเมื่อเราเป็นนักเรียน เราเรียนรู้เรียนปริญัติแล้วก็ในอ่านในพบซึ่งพระสารีบุตรกับพระคุณมันตีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์บุคค์ปฏิบัติกันมาพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญามาก พอสมควรเมื่ออุปสรรคได้ๆเกิดขึ้นมาจวนเกียนจะเป็นอันตรายท่านก็เอาตัวของท่านพ้นเพราะท่านมีปัญญาในคราวหนึ่งตามประวัติของท่าน กับพระโมกคันลาซึ่งเป็นสาวกปฏิบัตริร่วมกันเป็นตักชาวกในพุทธศาสนาองค์หนึ่งเลิศทางปัญญาองค์หนึ่งเลิศทางฤทธิ์อยู่ด้วยกันสององค์นี้ต่างให้ ทำให้สถาบันของพระพุทธเจ้าของเรานั้นยังยืนอยู่ตลอดกาลนานภาษาลิบุตรนั้นทันนปัญญาองค์หนึ่งท่านชื่อว่าเหมือนพี่เรี่ยมองค์หนึ่ง ท่านนิชชาวบ่อนเหมืนนางนมภาษาดีบุตรเป็นผู้มีปัญญาพระโมกัลาเป็นผู้มีฤทธิ์สองอย่างนี้สาวกสององค์นี้เป็ น, นภาษาสาวกที่เลิศทางปัญญาเลิศทางฤทธิ์สององค์นี้เป็นเหตุช่วย ศ า, ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาพันธึงจัดเป็นอักษาวชะใต้ขวามีปัญหาในต่งางๆที่เราเรียนนักธรรมมาเมื่อพระเะทเรซององค์นี้ค่อยจะออกเป็นปัญหาถามนักเรียนอยู่เสมอ เพราะว่าพระเถระสององค์นี้เป็นกำลังใหญ่ในพระพุทธเจ้าของเราพูดถึงการปฏิบัติพระบิในัยในคราวหนึ่งได้ไปปฏิบัติอยู่ถ้ด้วยกัน เกิอดอาพาธองค์菩าที่บุตรเกิอดอาพาธเป็นโรคลมท่านก็พิจนาอดทนในความอดทนเพราะได้ฟังธรรมะเข้าใจในธรรมะอดทน วันหนึ่งก็เป็นเวลาเย็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรท่านรวมกันพูดศึกษากันว่าท่านเป็นลูกอะไรเป็นอย่างไรสมัยก่อนเป็นฆราวาสท่า น, นเคยเป็นไหมอะไรทั้งหลายแล้วนี้ท่านพระสารีบุตรท่านก็ตอบว่า เป็นโรคอันนี้ผมเคยเป็นมาเต็มเวอาผมเป็นฆราวาสทำไมมันถึงหายล่ะท่านก็ตอบว่าโยมผมช่วยทำเข้าวัตถุปยาตเข้าอันนั้นเป็นอาหารที่ว่า มีนมมีเนยมีถั่เขียวมีน้ำตาลในหลายอย่างรวมเข้ากันเป็นอาหารที่ประณีตเอามาให้ฉันโลกลกก็หายไปเมื่อพระเทเราทชององค์กำลังปรึกษากันอยู่อย่างนี้มันกระทบกระเทือนถึงเทพยุดา เฝ้าสิงสถิตอยู่ประตูซุ้มได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็เทพยุดา น, นั้นก็ไปสิงทายกวัดในสายทางที่พระมคคัลาเที่ยวอินทบาทไปจับคอบิดไป คงจะเป็ น, ปนคล้ายๆกับที่ว่าเขาเขา้าทรงมันอยู่เดียวนี้ออกฝากมาว่าทำไมสอบถามกันว่าเราอยากได้ยาที่เข้ามาทุกขยา่าเป็นถวายพระสารีบุตร้ายกทัางยก็มีสัาเริ่มใจ พร้อมที่จะต้องทํายานั่นถวายพระตามความอมืเทพยุดธามาสิงสถิตยถายกนั้นตอนเช้าพระโมกขลาไปเที่ยววิทบาทก็เตรียมทํากันนะพระโมกขลาไปเที่ยววิทบาทมาก็ไปได้อาหารชนิดนั้นมา ที่พูดกันกภาษาดิบเมื่อคืนนี้กรมันนอมมาถวายดีใจถวายภาษาดิบพอมาถึงภาษาดิบถวายภาษาดิบได้ภาษาดิบเลยรับแด็กพิจารณาเอออาหารชนิดนี้เราได้พูดกันเมื่อคืนนี้มันเป็น วายีวินยัตเป็นเหตุในเทพยุดาทั้งหลายรับรู้เข้าใจอาหารอนี่จึงเกิดมาจากวาจีวินญัตของเราเมื่อพระโมกคันลาน้อมอาหารอนี่ถวายท่านท่านสมบอกพระอาสาริบุตรว่าบอกพระโมกคันลาว่าท่านพระโมกคันลา อาหารจนิดนี้ถึงแม้ว่าเราป่วยหนักถึงแม้ อ, มอวัยว ะ, วะอะไรที่อยู่ในร่างกายของเรานี้มันจะดุดหรือมันจะขาดหรือท้องไส้ของเราเป็นต้นมันจ ะ, ะรุ่ออกมาเราก็ไม่ยอมฉันแต่เนี่ยเพราะอันนี้มันเป็นวากีวิญญติ มีพูดถึงแง่พระวิ น, นัยพระโมกขลาก็เลยเนพระภาษาดิบุตรก็เลยให้พระโมกขณาไปเทลงพื้นแผ่นดินนู้นนะดีกว่าพระโมคคัขลาก็เอาไปเทลงพื้นแผ่นดินที่พระโมกที่พระสานีบุตรรับจังพออาหารนั่นตกลงพื้นแผ่นดินโรคในท้องของพระสานีบุตรนั่นหายเดยวกีเดียวนี่พูดถึงแง่ ใความละเอียดอ่อนของท่านภาวนานี่ท่านรักษาคาวินยัยท่านรักษาวินิติัยการขอของแก่คนใจยาใจปรณ น, น์อันนี้ท่านถึงขนาดนั้นอันนี้เมื่อเราเดินทุดง ก, ก็ควรยกข้อปฏิบัติ ของพระสารีบุตรพระโมคคัลลาอันนี้เป็นมาเป็นตัวอย่างไว้ในใจเสมอนี่คือเป็นสถาบันของพระสารีบุตรที่พระโมคคัลลาสมัยนี้พระปฏิบัตินั้นน้อยอันนี้มันเป็ น, นความคิด มันเป็นความรู้สึกของคนคนเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าเราไปพูดก็ไม่มีใครจะอาจจะทำอะไรได้อย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องของพระอริยะบุคคลถ้าว่าคนธรรมดาเราห้ามไม่ได้ลกลัวจะต้องละเมิด อ, มอันนี้เป็นเหตุอันหนึง่งซึ่งเราผมก็เคยเอาพิจารณาบ่อย เมื่อเดินทางไปก็มันหินมันกันดานนาีมน่มันขาดข่ารถมันขาดค่าเรือมันขาดการพัดอย่างอย่างนี้อันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราจะได้ทดลองเราจะได้พบเราจะได้เห็นอันนี้จะเป็นที่เกิดปัญญาออีกประการหนึ่งท่านเป็นผู้ที่เราขอบมาก ใ น, นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จนเป็นพระองค์หนึ่งเป็นผู้เลิศในพุทธศาสนานี้ทางปัญญามเมื่อพระพุณณมันตนีบุตรซึ่งเป็นลูกศิษย์จะออกเดินตูดงเท่านั้ก็เป็นห่วงเลือยากจะรู้อยากจะถามความเห็นจิตใจของพระพุณณมันตนีบุตรว่ามันจะเป็นยังไงไหม เมื่อภาษาเมื่อพระปุณณ ม, มั น, นีบุตรกราบลาไปทูดงคือไปเที่ยววิเวกเรียนสถานที่อืมย่างพระเที่ยวทุดงตัวนนี้ท่านก็ได้ถามว่าพระปุณนมันตนีวะพระปุณนมันตนีท่านไปทูดง ไปวีเวกมันพบอะไรได้หลายอย่างในทางกันดาลว่างหน้าที่ท่านจะเดินไปบ้างเช่นว่ามินมีปัญหาของประชาชนทางหลายนั้นที่มีความสงสัยอยู่มากนะมในธรรมะที่ประพฤตปฏิบัตินี้ ถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่มาเรียนถามกันว่าท่านระษาดีบุตรว่าท่านะคุณนมันตะนีบุตรามนุษย์นี้ตายแล้วเป็นอย่างไรมนุษย์นี้ตายแล้วจะไปที่ไหนอย่างนี้เป็นต้น ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไรเมื่อครูอาจารย์ถามปัญหาในที่นั่นพระปุณณมันตนีบุตรนั้นมีอยู่แล้วฉเฉยที่จ ะ, ฉะเฉยปัญหาอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่นานที่ด้วยวมีอยู่แล้วเพราะมันมีความรู้สึกอยู่แล้ว ถ้าเขาถามเช่นนั้นท้าคุณณมันตรีว่าถ้าเขาถามเช่นนั้นเก้ากระผมก็จะตอบพระบารูปเบทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาณเกิดแล้วดับไปรูปเวทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาณเกิดแล้วดับไป ท่านจะตอบเพราะว่าอย่างนั้นปัญหาอันนี้เมื่อเรายังเป็นพระที่ยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้ทราบถึงยกตัวอย่างเมื่อเราเป็นผู้เรียนหนังสืออยู่นั้นเราก็จําแต่ว่าลักษณะอย่างนั้นไม่รู้เรื่องเราจะเห็นอาการอย่างนั้นด้วยตัวหนังสือด้วยคําพูดอะไรต่างๆเนี่ยเอ เราก็จงตอบว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารวิน ญ, ญาณเกิดแล้วดับไปตามตัวหนังสือตามตำราถ้าชอบอกร็รมการ่องประยอมให้ได้แนละตอบถูกแล้วในความตอบถูกเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดมาจากใจไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเราก็เป็นอย่างนั้น ตัวเรารู้แจ้งในใจของเราอย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราหละ ย, ยินหรือเป็นแต่เพียงว่าเราได้ดูตัวหนังสือเป็นสัญญาระมาจำตอบเช่นนั้นมันก็ถูกไอความถูกเช่นนั้นไม่ใช่การเกิดไม่ใช่ของเกิดจากตนเอง ไม่จะเกิดปัญญาอันลึกรับที่เราจะต้องรู้เองเห็นเองอาศัยตำราอาศัยคนอื่นอันนั้นอันนั้นไม่เป็นเช่นนั้นส่วนพระคุทธมณฑนีบุตรนี้ท่านไม่อาศัยอันนั้นท่านอาศัยการทำกรรมฐานแบบพิจรารณาอย่างแจ่มแจ้งเสมอเลยทีเดียว รูปก็ดีเบทธนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดียินยาณก็ดีท่านไม่เห็นอะไรว่ามันมากไปกว่านั้นท่านเห็นว่าสิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันเกิดแล้วก็ดับ mm hmm. ก็เพราะท่านมาเห็นว่าอันนี้มันไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลตัวตนเราเขามันเป็นแต่พเพียงว่ารูปเบทธนาสัญญาสังขารยินญาน เกิดแล้วดับไปท่านตอบในแง่ว่าอนัตตาไม่มีอะไรจะมีเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้เป็นแต่สิ่งที่สมมุติขึ้นมาเป็นตัวต้นท่านปริตอบตรงเข้าไปถึงธรรมะว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาเกิดแล้วดับเท่านั้นเห็นเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไป ท่านภาษาทิบุตรได้ยินคําตอบของพระปุณนมันตนีบุตรแล้วซึ่งในการตอบปัญหาของท่านท่านก็นึกในใจของท่านว่าพระปุณนมันตนีนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะโต้อตอบปัญหาของชาวมนุษย์ทางไหาเขาสมควรไหม ทั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตใจศบการกับอารมณ์ที่มันกระทบกับทั่งอันนี้ก็เหมือนกันบุก ค, คลผู้ที่ฉลาดในปัญหาของเจ้าของในปัญหาของคนอื่นแล้วกันว่าเหมือนกันเับพูดที่ว่าท่านผู้มีปัญญา คนนั้นก็ท่านนั้นก็มีญาณท่านนั้นมีญาณท่านนั้นก็มีปัญญาใครไม่มีปัญญาคนนั้นก็ไม่มีญาณใครไม่มีญาณคนนั้นก็ไม่มีปัญญาอันนี้ ถ้าปุณนมันตานีตอบทราบซึ่งโดยธรรมะที่รู้เองเห็นเองเหมือนว่าในร่างกายที่รูปเวทน า, นาสาัญญาสังขารวิญญาณนี้รวมเลยมันเป็นอนัตตาทาั้งนั้นท่านก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คนตายแล้วมันไปเกิดตรงโน้นตรงนี้ท่านความเห็นเป็นเช่นนั้นอยู่ ท่านก็คงเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนไดยเอาเรื่องตัวตนมาตอกมันจึงไม่หมดเปลือกมันอันนี้อนัตตาแล้วอัตตามันไม่มีแล้วเป็นอนัตตาท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรส่วนในส่วนหนึ่งว่ามันเป็นสัตว์มันเป็น บ, บุคคลตัวตนเราเข้าเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมา จ่มันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าหากว่าท่านจะตอบว่าสัตว์คนนี้ตายแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นคนเกิดมาแล้วจะต้องตายตายแล้วจะต้องไปตรงนั้นหรือตรงไหนอย่างนี้ถ้าหากว่ามีความสงสัยอยู่อย่างนี้คงจะไ็นหมดเลือกเหมันย่งรูปดวงหยุดในสกลร่างกายของเราอยู่นี่อันนั้นสิ่งทั้งหลายเรานี่เหมือนไม่มี มันหมดเห็นแต่ว่าอาการนี้มันเกิเดแล้วดับไปเท่านั้นอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งประปณมันตนีรู้จากธรรมะยึดไม่ในใจคำที่ว่ายึดเนี้ไม่ใช่ว่าท่านยึดจนให้มันแน่นยึดคือจับมาดูแล้วก็วางคือยึดไม่ให้มันมัน่นไม่ใช่ยึดให้มัน ยึดแนว่วางยึดมาตัวยึดเป็นตัวสมมุติเห็นเป็นวิมุติเดี๋ยวก็วางคือความจริงอันนี้ก็เรียกว่าพระคุณมันตะนีออกจากถิ่นฐานอันนั่นก็เที่ยววิเวกทุดง์ไปธรรมะของท่านเปรียมอยู่ด้วยปัญญาเป็นเหตุให้ท่านนี่ เที่ยววิเวกสัญจรไปโดยความปลอดภัยไม่มีอะไรอันนี้ก็เหมือนกันขผนานอารมณ์ทุกอย่างก็ตามเราจะเลือกอะไรมันไม่ได้ อ, อารมณ์อารมณ์ดีมันก็มีอารมณ์ชั่วก็มีอารมณ์ร้อนมันก็มีอารมณ์เย็นมันก็มีทุกรสทุกชาติแบบนี้ ปัญหาซึ่งมันเกิดในจิตของเราเรานั่งกำหนดอยู่ให้อาการทั้งหลายแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาในดวงจิตของเรานั้นผู้รู้ทั้งหลายที่มีความรอบรู้อยู่ในนั้นจะเป็นคนแก้ปัญหาของเราที่มันเกิดขึ้นมานักปฏิบัติของเราจะต้องเป็นอย่างนั้น เป็นนั่งอยู่ต้นไม้ต้นไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็าตามเดินก็าตามนั่งก็าตามนอนก็าตามปัญหานี้ก็เรียกว่ามันเกิดเสมอเมื่อปัญหานี้มันเกิดเสมอไอ้ผู้ที่เฉยปัญหานั้นมันก็เกิดเสมอถ้าหากว่าเราคิดเช่นนี้คิดไปในแง่อย่างหนึ่งก็ได้คือสังขารมันปรุงแต่ง แต่สังขารมันปรุงแต่งแล้วมันวิ่งไปตามอันนี้ธรามันเป็นเช่นนั้นอยู่ในใจของผู้ปภพภูตปฏิบัตินั้นทำทั้งหลายเหล่านี้เดว่าธรรมวิจยะเป็นผู้สอดสองธรรมสอดสองธรรมเมื่อใจเป็นตัวสังขารเป็นธรรมวิจยะเมื่อนั่งลงเมื่อลุกขึ้นเมื่อเดินอยู่เมื่อ พักก่อนอยู่เมื่อไรสิ่งทั้งหลายนี้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าเป็นธรรมวิจัยยักษ์เป็นองค์ที่กัดสรูปท ร, ร ม, มันเข้าในโพชฌงกตเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา แ, ลวแก้ปัญหาง่ายและแก่เร็วรู้เรื่องถนัด ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ในตัวของเราก็เรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดอยู่ในตัวของเราถ้าเราแก้ปัญหาซึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตของเราได้ปัญหาส่วนนอกนั้นไม่ต้องสงสัยเลยข้างนอกก็ขา้างในมันก็เหมือนกันเปรียบประหนึ่งว่าเรารูปคนคนหนึ่งอย่างพระพุทธองค์ของเราสอนให้รูปคนคนเดียว คือรู้ใครคือรู้เราคนเดียวให้แยบคายที่สุดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยในตองสงสัยอย่างที่ท่านอนุญาตอุปชาบวชทันไรเจาโลมานาขาตันตาตะโจนคือท่านย่ำอยู่ตรงนี้คือให้รู้คนคนเดียวเมื่อรู้คนคนเดียวอะไรจะรู้คนหมดทุกคน อาการภายในสมบัติเรารู้แล้วอาการภายนอกก็เป็นอย่างนั้นมรดกผลมันเป็นอย่างนั้น mm hmm. ก่อนที่จะเกิดปัญญามันก็โง่้ดซก่อนมันถึงเกิดปัญญาหรือมันผิดซะก่อนมันถึงถูกเป็นเรื่องธรรมดาได้เกิน มันจะผิดมันจะถูกแล้วก็ทนดูอยู่นั่นแหละดูอยู่ตรงที่มันเกิดมันดับนั่นแหละไม่ต้องไปเท่งที่อื่นดูอยู่ตรงนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันกระทบขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกรอบครอบอยู่เสมอเมื่อความรู้สึกของเรามีอยู่นั่นไอ้ธาทั้งหลายทั้งปวงนั่นที่ประครับประคองมันจะมีอยู่ในใจของเราเช่นสเตยอย่างนี้สมปัญญะ สติคือความระลึกมันมีอยู่สมวัจญะความรู้ตัวมันมีอยู่อันนี้คือ ม, มันมีสติอยู่เสมออะไรกระทบเมื่อไรมันรู้จักมันแรงมันเบามันร้อนมันเย็นรู้ทุกเวลาทุกขณะก็ดีว่าสติเต็มเปลี่ยนแปลงสมวัจจะความรู้ตัวมีม เมื่อมันถูกอารมณ์มากระทบกระทั่งเปรียบประหนึ่งว่ารู้อาการที่มันเป็นในใจของเรานะมันจะคล้ายๆกับที่ว่าเรานั่งอยู่ดูเดินอยู่จะเห็นเป็นคนสองคนยกของมาหนักอย่างนี้ด้วยไันเพราะอารมณ์นั่นเองเมื่อเห็นมันหนักขนาน เมื่อพูดเป็นตัวบวคุคคลจริงๆผู้มีความสงสารเนี่ยมันจะอดอยู่ไม่ได้มันจะต้องไปช่วยคนสองคนนั้นให้มันแบ่งหนักขึ้นมาเป็นเบาถ้าเรามีสติมีสัสสัญญาอยู่สองอย่างนี้นี่เมื่อมันกระทบเมื่อไรแล้วตัวปัญญานั่นมันจะวิ่งมาช่วยแก้ไขอารมณ์มันั่นเหมือนกันอย่างนั้น อะไรก็ตามอยาเดิมว่าอะไรก็ช่างมันเถอะอารมณ์ที่มันเกิดมาสิ่งที่ไม่พอใจของเราเนะ่ะเนขวดที่ว่าน้ำตา ม, มันไหลออกมาเราก็ยังนึกถึงคำสอนของพระว่าอันนี้วะมันไม่แน่ไหวเสมอเลยทีเดียวด้วยสติสัมปชัญญะของเรา เมื่ออารมณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมามันเกิดความรักความพอใจจนน้ําตามันไหลออกมาเราก็ยึดคําสอนของพระคือธรรมะที่จะให้เกิดปัญญาว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านี้เองสองอย่างเนี่ยอืมันจะพอใจมันจะไม่พอใจมันจะดีมันจะชั่วให้มันเห็นพอดี เห็นชั่วในความพอดีเห็นดีในความพอดีเห็นยินในความพอดีเห็นรอดในความพอดีอยู่ในอาการทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าคือว่ามันไม่แน่ไม่แน่นี่มันตัดปฏิเสธเลยไม่แน่นี่ถอนอุปทานเนี่ยถ้าเห็นมามันแน่นอนยึดมัน่นถือมันมันเปนอุปทานมั่นหมาย เห็นว่ามันไม่แน่คือไปทักมันอันที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราเห็นว่ามันเป็นของไม่มีราคาเพราะว่ามันไม่แน่ความยึดมั่นถือมัน่นของมเดินผ่อนออกมาเด็กก็มีการปล่อยวางไปในตัวนี้เสมออันนี้เป็นอารมณ์ของวิพัสนาอย่างอื่นนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์ของวิพัสนาเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาว่ามันไม่แน่ อย่าไปลืมมันเลยอย่าไปทิ้งเลยดีกว่าช่างกว่าอันนี้มันเลยแน่คือดีท่านกุมเทมาเหยุทธ์ชั่วท่านกุมเทมาเหยไปยึดถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่ถึงความพอดีมันถึงความไม่ถึงหรือมันถึงความเกินไปอือย่างนั้นมันไม่เป็นธรรมะที่จะให้เราสงบนะครับเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นธรรมะได้เป็นอารมณ์ที่ให้เราชอบใจดี พอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจแถวนั้นถ้ามันเป็นแค่ น, นั้นเหตุที่จะให้เราเกิดทุกข์นั่นมันยังมีอยู่มันไม่สงบหรือมันสงบแต่ว่ามันไม่ระงรับอันนี้จะให้มันมีความสงบมีความระงรับอธรรมะอันนี้ผู้ปฏิบัติเรานั้นเนะี่ยไม่ค่อยสนใจนีแค่นั้ น, นปัญญาทึกขจะไม่ค่อยเกิด ถ้าเราหยุดอยู่ให้อยู่ตรงนี้ว่ามันไม่แน่ดีมันก็ไม่แน่ชั่วมันก็ไม่แน่รักมันก็ไม่แน่เกลียดมันก็ไม่แน่อมันเป็นอยู่อย่างนี้อืถ้าเห็นว่ า, miracle, า flow, มันไม่แน่อย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ท่างหลๆเหล่านั้นเห็นแต่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองความรู้เกิดขึ้นมาความสงบเกิดขึ้นมาความระงับเกิดขึ้นมา หากว่าเมื่อเราจบประการอะไรก็ช่างมันเลยให้รวมกำลังลงตรงนี้เลยอันนี้เองที่ว่ามันเป็นบอ่อเกิดของปัญญาแล้วกว็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์ อย่างไรก็าตามมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเราน่ยพ้นจากความสงสัยเพราะว่าไอ้ทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมายุทกเวลาเห็นยุทุกขณะวันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไร เราก็ทอนอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเราถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันก็กระยึดมันถือมันอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมอมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากอารมณ์มันนั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัด คืออันนี้เองไม่ใช่อืน่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้เน่งก็เร็กว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรม ะ, อ, ะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เดานั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เดานั้นมันไม่แน่ อยู่เสมอที่เดียวล่ะอยู่เสมอที่ดีืให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่ารปูปผู้ประพฤติปฏิบัติติดในรปูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงแล้วครูบาอาจารย์สอนมารปูปนี้มันไม่สวยนะ มันสกครกไม่น่าปราดถนาทางร่างกายตนเหนบุคคลอื่นอันนี้เป็นคำสอนของพระแต่ยังเถือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันหนึ่งอยู่อันนี้ก็ไม่ตั้งรัวมันมันยังยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งกันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวย เราก็บอกว่นบบอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็วอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแกนสารแล้วก็วอันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลุกไปเรื่อยอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นเป็นที่พักของเรา เมื่อดําเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจเรามันจะรู้อย่างนั้นแล่มันก็จะเห็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นเจนนั้นในความยึดมัน่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดนีเน่เมื่อวันหลังจนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นอความรู้ของเรานั้น ความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้นเดินในถูกทางอันนี้ก็ให้ท่านเข้าใจอืมอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จักอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอกเมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบุคคลอื่นอย่างนั้นที่ตัดฑว่าอัจฉตาธรรมาปะหิทธาธรรมา อัจฉริยะธรรมะไหทธธรรมะทำภายในแได้ทำภายนอกเมื่อรู้จะทำภายในก็รู้จะทำภายนอกเมื่อรู้จะทำภายนอกก็รู้จะทำภายในความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองอืมจะอยู่ขภางในก็ตามจะ อ, อยู่ข้างนอกก็ตามทำทั้งหลายมันเป็นเพาะมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระปุณณมันตนีบุตรท่านจึงตอบท่านภาษาดีบุตรว่า โรคเบทนาสัญญาสังขารยุ่ ญ, ญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นทุกเกิดมาแล้วแต่ทุ่ดับทุกเกิดวกว็จะด้แต่ทุ่ดับไปเท่านั้นมันเกิดเน้่มันดับเท่านั้นออันนี้ให้เราหมายมั่นไว้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมมากของเราให้มันดีอือันนี้จะเกิดประโยชน์อยากไปคิดอะไรมันมากมายไปกว่านั้น สงสัยเกิดขึ้นมาล้วดูในจิตของเราดูในร่างกายของเราดูในจิตใจของเราอันนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายซึ่งจังอวะจังใจเดินจนกรมนั่งสมาธนนิเที่ยววิเวทสัญจรไปความรู้อันนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวของเราเสมอ เป็นเหตุในรืมตัวในความผิดเกิดึมาก็รู้ว่ามันผิดถูกขึ้นมาก็รู้ว่ามันถูกอันนี้ถ้าเรารู้จากอานิจจังจริงๆแน่น่ะมันจะไม่ยิ่งไปสองทางทุกเกิดมามันก็ไม่ยิ่งออกไปจากทางทุกวิ่งทุกเกิดขึ้นมามันก็ไม่ยิ่งไปออกจากทางในความรักเกิดขึ้นมามันก็รู้มันก็ไม่ยิ่งออกจากทางในความเกลียด เกิดขึ้นมามันก็ไม่รีบออกจากทางมันตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้ฉันรู้ว่าเป็นสัมมาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติไม่มีทางสองมันเป็นทางเดียวเอโกชโมถึงแม้ว่ามรตมันจะมีถึงแปดต่างมันเมันรวมมรตอย่างเป็นเอโกชโมหรือเอโกมโกมรตมีอันเดียสั้นนี้ธรรมมีอันเดียสั้นนี้ กา ร, รมชันทะพยาบาตกามชันทะคือความรักใคร่ในต่างพยาบาทคือความปิดาตาลอนความปองร้ายทินมิมถะอุตาตากูปุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญเคลื่อกลงเคื่อนแทงสงสัยไม่มีไม่มี ที่เรียกว่าเป็นอะไรหยิบที่บริสุทธิ์มันมันเป็นคนละเรื่องหยิบทีท่บริสุทธิ์ เาเรียกว่าจิตอภิสอนจิตอภิสอนคือจิตมีความสว่างมีความรู้ทันมีความรู้เท่าทั้งหลายแล้วเนี้ยมันจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีกอ่าดันั้นเป็นจิตที่เรียกว่า ไม่ฝ่าคนกับอารมณ์ในไรล<ม>เป็นแตเพียงรู้เหมือนกันซะไอ้นำท่ากับนำมันมันเป็นในขวดเดียวกันก็รีว่าอันนั้นไม่ปาคนกันก็ได้ถึงแม้ว่ามันฝาคนก็ไม่มีการแทรกซืมอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ไม่มีการแทืนซึม มันมั น, ม, นมันคนในอายา่างนั้นมันคนนั้นหนักหนะักอย่างนั้นมันก็อันนี้คำสอนของพระท่านาติบาลีว่ามันเป็นมันเป็นปฏิจจตกปจเจเจังจิตอิตอันนั้นที่มันรู้การเกิดดับ แต่ว่ามันไม่ได้เกิดได้หลับกะเท้ากะใจเนี่ยมันเห็นความเกิดหลับของสิ่งทั้งปวงแต่ตัวมันเองไม่มีการเกิดดับอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวคิดถ้าสิจารณาสะอาดรู้ รู้ไม่มียึดรู้ไม่มีหมายมัน่นรู้หมดเรื่องรูหมดเรื่องมันก็กิจใจสำนึกมันมันแปลเปลี่ยนหลอย่างก็เหมือนอย่างก็ที่ท่านเรียกว่าญาณกับปัญญา มันของใกล้ตันถ้าใครไม่มีปัญญาคนนั้นตัวไม่มีญาณคนไม่มีญาณคนนั้นก็ไม่มีปัญญาเหมือนกันก็นมามันกำลังท่า จะมันถูกต้องกันอยู่ก็ได้แต่มันไม่ปะปนกันรวมอยู่ในขวดอันเดียวกันมันอยู่ในขวดเดียวกันแต่มันแบ่งที่ของมันอยู่โดยฐานะของมันเองอันนี้ก็พูดแล้วก็ไม่ชัดใช่พูดแล้วก็ก็ไม่ชัด แกว่า <c oughs> มันมันเป็นเหตุให้เขอมองเขาไปเฉียดอะไรต่ออะไรเกินมาท่านกล่าวว่าใครในเขาไปถึงความสงบช่วคราวหนึ่งเป็นสามสิบนาทีหรือสิบนาทีก็ท่านบอกว่า ไอคนนั่นก็ไปใกล้กับนิพพานอย่างนี้นี่เป็ลักเปรียบเทียบอันนี้เราจะพูดเอาตัวจริงไม่ได้เพราะมีการเปรียบเทียบถ้าพูดเอาตัวจริงแล้วก็เลยว่ามันรู้เฉพาะเจ้จาของเท่านั้นมันเป็นปัจจักษจังคือเอาจริงไม่ได้บางเห็นอย่างพระพุทธจ้องค์ของเรา ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญาระพัดอย่างรู้จักอะไรอดีตแต่อนาคตปัจจุบันรูดหมดทำไมท่านมนแนาแสดงพระมีพานแกล้งแจ้งอย่างนี้คือความเป็นจริงนั้นท่านแสดงแกจ้งได้แต่ว่ามันเป็นกับเครื่องลับนี่มันตริมัวสูงไปหมดใช่ไหมก็หาว่าพระพุทธเจ้าอง์ของเรานั้นน่ะ เมืเม่อท่านรู้แจ่มแจ้งแล้วทาไมท่านไม่แสดงธรรมะเรื่องปานิพานให้กระจางให้คนหายสงสัยให้การหายสงสัยแท้จริงนั้นไม่ใช่พูดเพื่อการฟังเฉยๆมันหายสงสัยอาจามาเคยเปรียบอยู่เสมอ ว, ว่าอย่างอย่างวัดเนี่ยอย่างวัดนี้มีค น, คนคนคนอื่นเข้ามากันแต่ขเขาบอกว่าเราเราฟังที่ว่าง วัดท่านน้องพ่อท่านอยู่มันเป็นวัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น่รับฟังรู้เนกันนะแต่มันให้แจ้งอีกคนอื่นมาอีกก็ถามว่าน้องพ่อท่านอยู่ยังไงไม่อะไรไหมคนที่ก็พูดดีก็รู้เหมือนกันแต่มันจะแจ้งคือมันรู้ไม่ถึงตรงนั้นอืมถ้าหากว่าเราได้พากันมานั่งอยู่ในวัดวันนี้ยนะปัญหาที่จะต้องถามใครๆอีกมันหมดไปหมดเข้าใจไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ ไม่รู้อะไรมันติด บ, บงังพวกมันอยู่อันนี้ปัญหาเราที่เราจะต้องถามคนเนี่ยที่มาหรือไม่มาเนะ่หมดปัญหามันหมดเราถามคนอื่นเนี่ยมันปัญหาไม่หมดอือดูเอาเนี่ยมันเดี๋ยวอันนี้สันเดียกว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงอืทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันรู้ทุกค น, นแต่มันรู้ไม่ถึงอ่าอือ การทำปฏิบัต okay. ิทุกวันนี้ก evet ็มีคนสนใจมากแต่ก็ไม่รู้ว่า้าอะไรชาวสหรัฐไปเยี่ยมคนโอ้โหคนสนใจเรื่องกรรมฐานนี่มาก แต่ก็ไม่รู้ว่าเจะเอาอะไรอตียคนไปดูไปชมอยู่นั้นเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรอเป็นเช่นนั้นเนี่ยคนสนใจมากมต่างคนก็ต่างทําตามรักทีบางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจอย่างนี้อืม ถ้าเราเข้าใจดีในเรื่องนี้มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปอย่างอื่นถึงไม่ใครจะพูดไปตรงไหนมันก็ไม่แปรเปลี่ยนมันไม่แปรเปลี่ยนมันเช่นว่าท่านให้กรรมาฐานเราทำยังไงคนยังไงวะฉันไปฟังมาท่านอาจารย์ท่านในภาวนาพุทธูแต่สันดีไมา บางองค์ท่านกล่วว่าท่านในคำนด t อนาปานสุตติบางองค์ท่านกลวว่าท่านในคำนด t ที่ยุบหนอคองหน่อบางองค์ท่านกล่าวว่าสัมมาอ拉 ห, หันจโออย่างนี้ไม่รู้ว่าเจะอะไรมันถูกแน่นอ น, อน <c oughs> คือเรื่องมันถูกอืม เรื่องมันถูกเนี่ยไม่ถูกนั่นมันอยู่กับตัวเราเรามองข้าบตัวเราไปสิไอความจริงๆนั่นอาจารย์ทั้งหลายนั่ น, นที่ท่านเที่ยวทานในการปฏิบัตินี้เนี่ยก็เมื่อหากว่าท่านอุปนิสัยของท่านถูกก็กมรมฐานอันใดท่านในความสงบเพราะอันนั้น ท่านก็ยกอันนั้นคือมาให้เราฟังให้เราดูเห็นองค์หนึ่งทำไมท่านรู้มีความสงบเพราะการกระทำกรรมฐานอานาปานสติท่านก็สอนในระวะธรรมนุสนาปานสติองค์อื่นทำไมายกอันนี้คือมาต้องพัฒนาสัมมาอรหังดิก็ <c oughs> ไปอย่างนั้น ก็เพราะฉันรู้อย่างนั้นก็ทเห็นอย่างนั้นถ้าเราจะไปมั่วสุมในการท้งหลายเ้านี่อยู่เรารวมจัดตอนตั่งไม่ได้มันบอกไม่มีที่วางเพราะว่าอารมณ์ของกาารรมฐานมีมากบางองค์ในข้างกุศการเรานะี่เดินไปนั่งอยู่เห็นพยับแดดนั้นเน่ย ความตั้งขึ้นธรรมะขึ้นในใจธรรมะนีต่ตรงเหมือนกับพยาบแดดอย่างนั้นไม่มีอะไรแน่นอนเท่นั้นะพอเห็นว่ามันแน่อย่างนั้นจิตมันงงว่างท่านานั่นตแต่ก็ต้อเรียนความรู้ของท่านได้เหมือนกันนิดเดียวออะนิดเดียวที่เราทํากันไปมากมากนี่นะไม่ใช่ว่ามันมันจะขัดรู้มากๆอย่างนั้นะ ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งที่จําเป็นมันจริงจริงมันไม่มากอันเดียวเท่านั้นตัวอย่างท่านพระอ น, อนละุลได้ยกตัวอย่างประวัติของท่านเป็นผู้ที่ใก่คิดเพราะผู้ที่เช่าของเราพระอนุลครูนี้เขาจะทำทั้งกาญนนาแต่ประคีเอาตัวพระอนุลนอง ในสัพยนาครั้งนั้นก็เอาเจ้าพระอริยบุคคลทั้งหมดขั้นสูงขั้นบนตอนวันนั้นอานุนยังไม่ตื่นอะไรเลยอานุ น, นพอได้ยินเนี่ยงั้นก่อนร้อนใจเนี่ยอาการร้อนใจนั่นแหละอืมถ้ามันเป็นอัศจรรย์มันไม่ร้อนอันนี้มันร้อนใจแล้วเออยังไงเราตื่นหน้าที่องค์หนึ่งที่จะประชุมในสัพยนาตรงนี้ ก็เขี่ยวเขียนทำความเพียรเดนบังเลินบนั่งบังร้าระพัดอย่างออยากจะบรรลุธรรมะไอ้ความอยากนี่นมันกันอยู่นนะไม่ใช่พวกอื่นมันมา ก, ารรกันหไอ้ความอยากอยากจะบรรลุพาาระอรหันต์นั่นเนี่ยแต่แต่เราไม่รู้จักก็เขาเลือกโดยพวกนี้จะได้รวมใน ชุนทรงใหญ่ก็อยากเป็นพระอาหารหันต์ไอความอยากนั้นแหละแต่พระอนุโมคิดไปอย่างอื่นนะอจะไปตัดที่ไหนไปทำอะไรตรงนั้นไอตัวอยากตัวที่อยากอยากเป็นพระอาหารหันต์นี่ไม่คิดเห็นนะก็อยู่นั่นแหละตอนยำคำก็ออยู่เดินไปยุ่นั่งไปยุ่ง น, นั น, น, น, นไม่รู้ว่าไอการตัดรูปที่จริงมันจะเป็นยังไงกันด้วย ไม่ได้อยา ก, กจะรู้ทำจนเหนื่อยจนจะสะว่างกตมานั่งทอดถุยยุด mm hmm. เรามันจะมีบุญน้อยวัฒนาน้อยใช่คิดไปคิดอะไรมันโป่งไปหมดเหมือนกันแต่มันไม่รู้ถึงที่สุดมันมีปัญญาหลายรู้หลายได้ฟังได้แต่พระพุทธเจ้าอันนั้นมันกันอยู่เสมอ ผนที่สุดแล้วก็มันจวนจะสว่างแล้วก็ทอดอะไรทอดอะไรหรือว่าเราทำเกียร์มากเกินไปเหน็ดเหนืนอยะไรหมดเคร่งไลยใดๆ ไ, ไ, ไปทางนั้นเถอะเนาะเดี๋ยวเขาทอดอะไรปุ๊บเลยพอทอดอะไรพรบแล้วเนี่ยมันวางทอดอะไรปุ๊บแล้วเนะี่ย ไอ้ความเป็นพระเกิดขึ้นตรงที่วางไงตรงที่วางครับรู้สึกขึ้นตรงนั้นแบบเอ็นกายที่จะนอนที่สายยังไมเ่เป็นถุงหมอนนี่เช้ายังยกขึ้นในระยะอันนี้โดยที่ระยะที่พระอนุทอดอะไรไม่มีการยึดมัน่นถือมั่นอะไรในระยะนั้นอืม จำราทันเดียวในระยะนั้นพระพุทธเจ้าพระ อ, อนุณจะรู้ครับเราจะเทียบเทียงรู้ก็ได้แล้วจุดการภาวนาอนอุกำนัลลมอนาปานสติอย่างนี้ mm hmm. เมื่อเราฝึกใหม่ๆการหายลมหายใจเข้าขออกมันก็ลบา ไม่รู้จะเอาออกยาวเอาออกสั้นไม่รู้จะเอาไงบางทีโดยโด ย, โดยหายใจไม่สะดวกเหนื่อไหอันนี้เรารู้จกว่าไอตัวยืดติดไปบีบมันคือไปแต่งมันม่ปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติ ม, าตมันแยกกันไม่ออกนะไม่สบายบางทีบังคับลม จิตมันก็ฟุ้งไม่ถูกอันนั้นคือทำลมไม่สบายทำลมไม่ถูกที่เราเราดึงดึในระยะที่มันมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นเราไปควบคุมมันเกินไปเราย้อนถอยหลังกลับไปว่าวันนี้เราทำงานอยู่เราก็สบายใจเราในเวลานั้นเพราอะไรเราได้ควบควบคุมลมของเราไม อย่างก็าเดินไปตามถนนนู่นมา่ไม่ยุ่งกอารมณ์นะในลมมันก็ออกเพราะมันตามเรื่องของมันเรอยไม่เห็นมันยุ่งอะไรเมื่อเรามาควบคุมมันบางทีมันยาวๆบางทีมันสันชบางทีมันหยากหยาบบางทีมันเลยดิวุ่นขึ้นมาเลยอันนี้อำนาจของปัจจานยึดไปบังคับมันอืย่าเลยไปเดี๋ยวเพไปได้ที่ท่านเรยกว่าสมาธิคือความสงบเนี่ยมันเห็นได้ยาก คืมันมันมันไปถึงมัน้าบไปตรงนี้ที่มันไปถึงท้่มันข้าบไปอนตรงจุดนั่นน่ะเออตรงจุดที่ว่าไอการปล่อยวางนั่นน่ะอ่มันมีแต่จะเอาทั้งนั้นแหละพวเราอ่ไอนตันหาเดียมันดันดันดันอยู่ดีอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นนั้นอยากเปนนี่อืมไมให้มันหมดกําลังซะแรกมันก่อนนั่นก็หมดท่าทางเข้ามา่ะ แค่คากระของนะมันหลดตรงนีใน้ในเนี่ในทรายเนี่ยเราพยายามหาโดยความอยากของเรานะหาก็มาเห็นเรีย่เพื่อนมาหาช่วยมันก็มาเห็นเปรียบไปฟังหาจุดหมดจิต ป, ปัญญามาแล้วนะไอ้ความรู้สึกของเรามาจะมันจะวางสั่งก็หย่าแล้วหาอื่นใหม่จะได้ไปกลับบ้านดีกว่าเมื่อคิดอย่ามันพอแล้วนะ มันพอมก็วางนะมันวางก็พอสบายถ้าหากว่าเราจะเอามันอยู่อย่างนั้ น, นกับมีป้ะอยชน์เงินไม่สบายแหละแต่เราทอดอะไรสรางเหมือนทอดลอยมีคือการปล่อยวางแต่ก็ามรู้สึกมันวงเอ่อแล้วจะมามาเห็นว่า อันนึงอีกความสงบนั้นความสงบของสมถะอันนึ่งความสงบของปัญญานั้นมันอันนึงมันคนละอย่างกันไอ <c oughs> ความเป็นจริงนะ่ะสงบเรื่องสมถะนี่ท่าปัญญาไม่พ้นไปไม่ไหวพูดง่ายๆให้ฟังสะดวกเจ้าว่าเนี่ เรื่องภาษาจนานี้นะเรื่องคนกัดจะรู้ได้นะ่ะเพราะปัญญานะเท่านั้นพูกันงจะนั่งสมาธิสงบเฉยๆท่านปัญญาไม่ช่วยอันนี้ก็สงบแล้วก็กำเริบ เ, เป็นใหม่ะนั้นท่านจะแบง่งว่าสชขบีปตะโกเดลิโชบางคนดำเนิ น, นทางจิตมันมีสองอย่างบางคนดำเนินทางจิตให้สงบ เฮ่งจิตให้มากที่สุดเท่าที่มันจงหได้ที่สุดก็เอาีป น, น้นนานต่ว่าถ้าปัญญาไม่ช่วยไปไม่ไห้ลมอืมพี่เรียกว่าปัญญา แรงด้วยปัญญาแรงด้วยจิตอย่างธมรมะนี่มันมันมันสงบที่เรียกว่าคล้ายๆว่าวันนี้เราก็ไปอยู่ในป่านะตรงที่เราเคยอยู่เหรืออะไรมันกวนเราด้วยคืน น, ะนี้แล้วก็ออกไปอยู่ในป่าสักพักนึงเกลี้ความสงบในความสงบเช่นนั้นว่ามันสงบ ปริโยบะราวเถอะนะเพระาะมันพ ม, มันออกจากกิ่นั่นนั่นคือมันไม่เห็นตามความเป็นจริงเหอันอันนี้เป็นสงบอันหนึง่งแต่ก็เป็นแรงช่วยให้ปัญญาตื่นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่วยที่นี่ไอ้ที่ปัญญาเนี่ยไอ้ที่สงบเรื่อง จ, จิตใจมันคืต้องหาที่สงบมันถึงสงบทําให้นานๆทำให้คล่องแล้วก็เรียกว่า ไอ้ความสงบนั้นจิตใจอันนั้นการปฏิบัติมันเกี่ยวข้องกับปัญญาเมื่อเกี่ยวข้องกับปัญญาแล้วก็เรียก ว, ว่าอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันก็ไม่ไม่มีอะไรมากมายคือเรารู้เรื่องของมันเป็นอย่างไรคือรู้เรื่องว่ามันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนั้นพูดง่ายๆใช่ไหยว่าเราไปพบลิงตัวนี้กิริยาของลิงเป็นยังไง นาเบียดดิงเนาะอันนี้อืมแล้วน่าเบียดมันจะในกรนีจากดิงเนเหมนกันไปจังหวัดดินไปพบดิงอีกมันก็ตัวเดียวกันนั่นเอนะดิงมันน่าเบียดนอนอ่าเราจะเกลียดดิงเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะรู้ดิงเมไรต่อเมื่อว่าหากว่าเราเห็นออกิริยาของิงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะอย่างนี้ ถ้าเราไปพบลิงอยู่ที่ไหนแล้วก็ปล่อยมันเขนาเรียกเพราะมันเท่ากับโวางนะอันนั้นลิงก็เป็นเพรมันอย่างนั้น mm hmm. ถึงแม้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนลิงก่อนแล้วก็ปล่อยแห้ลิงนะ mm hmm. เราก็ไม่เป็นทุกข์ที่การเจะคิดจะจะไปมองภาพบอดลิงทําไมน้องมันจะยิ่งไดน้น้องอันนี้เราก็ไม่คิดพราะสภาพว่าเห็นแล้วว่าสภาพลิงแบบมันเป็นอย่างนั้น mm hmm. เห็นตัวเดียวานั้นลิง mm hmm. เห็นว่าทุกตัวในโลก ไปไหนก็สบายแลไวคอย่างนั้นอืไอ้ ม, อมนุษย์คือกันเนี่ยคนเราคือกันเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตรนสในเจสารมานาสานตาตัคือท่า น, า น, า น, านในสอนเห็นเราคนเดียวเท่านี้ส่วนแรกมันเพราะคนอื่นก็มันลูกเวทนาสัญญาสังสารยินอย่างอันเดียวเท่านี้ยถ้าเราหลงก้อนนี้ก้อนอื่นเราก็หลงถ้าเราลูกก้อนนี้ก้อนอื่นเราก็ลูกรู้สิ่งที่อยู่ย ใ, ใกล้นี่ไกลเราก็รู้ มันก้อ น, น, นเดียวกั น, นเพราะนั้นพระพุทธองค์อาจางย์กสอนในพีรนาร่างกายเป็นเป็นรากฐานที่สุดให้เห็นตั้งแต่นี่นี่พิษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าจนมาหาพิจะอันนี้ถ้ามันรู้เรื่องว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นทุกส่วนเนี้ยแล้วก็เห็นตะโกวางวางกพราะว่าทำไมถึงวาง มันบังคับอย่างนั้นเองไม่วาง <overboard S 1> มันก็เป็นทุกข์ประของมันเป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นอย่างเราอยากให้เห็นแมวตัวหนึ่งแม่แมวทําไมเหมือนสุน ah. ัขน้องนี่เนาะอย่างนี้แม่เราอยากให้มันเป็นสุนัขมันก็ไม่เป็นแมวมันเป็นอย่างนั้นถ้าใครอยากให้แมวเหมือนสุนัขไอ้คนนั้นทุกข์อยู่ ถาคนใดเห็นว่าเอ้ยมีเหมือนเแวึงตื่นนักฝนื่นตื่นนัแล้วปล่อยวาง